คำเขียนสุวรรณโนกราบโอกาสพระจันทร์ไทยสารกราบโอกาสพระจันยุกิกราบโอกาสพระจันทร์มนนกราบโอกาสพระจันทร์มันทันชัยแล้กราบโอกาสจากพระจันทรย์สุรินก็โขกาสจากพวกเราเพื่อนสาธมิกนะฮะแล้วก็เจริญพรมาอยังไม่ชีแล้วก็พวกเราเนาะอุบาสกบาลิกาประจำ ที่มาอยู่ที่วัดสุกโตก็เจ็ดเดือนเต็มๆเนาะตั้งแต่กลางมกราเป็นต้นมาก็เรียกว่าขาดขาดกิจวัตรปกติจะเป็นบิณฑบาตก็ดีจะเป็นมาทมวัดก็ดีเช้าเย็นแรงแตานานเหล่านี้ก็เนื่องจากว่าต้องอยู่ตรง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 แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะปลายปีที่แล้วก็อากาศเย็นๆใช่ไหมฮะอากาศเปลี่ยนอากาศเยน็นปีนี้ปีที่แล้วก็อากาศก็เย็นต่อเนื่องกันยาวคนก็ป่วยกันเยอะก็ป่วยกับอากาศก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยในลําคออะไรต่างๆ น, นั้ น, นเป็นหวัดเป็นอะไรต่างๆก็พราะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อบอกก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆ น ะ, ะอย่างนั้นหลวงพ่อก็รู้จักดูแลตัวเองเรื่องอยู่เรื่องยาเนี่ยก็ไม่ได้นั่นอะไรก็เป็นคําปละลบที่ท่านบอกให้เราฟังเราก็ฟังเอาไว้แต่ว่าตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้อยู่นะฮะก็ไปเดินทุดงอยู่ยังไม่ได้กลับเข้ามาพอกลับเข้ามาต้นเดือนมกราเนี่ยก็สถานการณ์ของความเจ็บคอเนี่ย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 ปกติถ้าเจ็บคอเนี่ยถ้าเอาฟ้าทะลายโจรกลั้วคอตอลางคืนตอนเช้าก็จะหายหรืออย่างน้อยที่สุดก็เกือบเกือบหายก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยาแกงเสพที่ดีที่สุดสําหรับอาการเจ็บคอเนาะวิธีการก็คือเราก็จะเอาใบฟ้าทะลายโจรใบสดเนี่ยสามใบเนาะใส่ลงไปในแก้วแล้วก็น้ำร้อนเท ล, ลงไปประมาณซับ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 หมอเนาะนัดหมอตามวาละปกติ6เดือนครั้งหนึ่ง6เดือนครั้งหนึ่งนีก็ไปไปหาหมอก็คราวนั้นก็พอไปหาหมอก็หลวงพ่อก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเจ็บคอเราก็ลืมนึกไปที่จะปรึกษากับหมอเพราะว่าจริงๆคราวนั้นไปหาด้วยเรื่องที่เรื่องของความดันจริงๆไม่ใช่ทุก เดือนทุก3มเดือนก็ต้องไปเรื่องความดันก็ปรากฏว่าก็กลับมาวันที่7กลับมาพอวันที่9หลวงพ่อก็กลืนยายากขึ้นอีกอย่างเี้ยก็ว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม่ปกติแล้วหลวงพ่อเพิ่งไปมา2วันนะกลับมาก็มีปัญหามากขนาดนี้ก็ ว่าต้องรึกษาไปทางคุณหมอโกคมะเร็งเก่าที่เคยดูแลก็โยมพี่หมูก็ติดต่อไปนะฮะปรากฏว่าคุณหมอก็นัดนัดนัดให้ไปพบวันที่ยี่บสองมกราเนาะก็ไปพบหมอหมอก็ตรวจนะฮะตามตามขั้นตอนปกติทุกอย่างเนะ ก็หมอหมอก็จะตรวจเรื่องคล้ายๆว่าเนื่องจากคุณหมอเป็นคุณหมอโล ก, โลกเลือดนะที่ดูแลหลวงพ่อเรื่องมะเร็งตําน้ำเหลืองในคราวที่แล้วเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่หมอตรวจเบื้องต้นก็คือตําน้ำเหลืองมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าก็เท่าที่ดูสีหน้าท่าทางของคุณหมอก็ไม่มีอะไรที่ดูดูผิดปกติไปคุณหมอก็ตรวจตาม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 เราก็กลับลงไปเจอคุณหมอดมศักด์อีกครั้งคุณหมอดมศักด์ก็บอ ก, บอกว่าให้เรานัดทำเพดสแกนเพดสแกนก็จะเป็นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ละเอียดอันหนึ่งนะฮะบอกว่าให้นัดทำเพดสแกนปรากฏว่าก็เราก็นัดเลยทันทีแล้วก็แบบได้ได้นัดวันที่2ี่กามกราเพราะนัด วันที่29่ก้ามกราเนี่ยก็ทําเพจสแกนตอนนั้นก็ติดตุดจีนเนาะคุณหมอก็นัดให้มาดูมาดูผลเนาะในวันที่ในวันที่สองหรือวันที่สมกราเอ้ยสหรือ3กุมภานเนี่ยละปรากฏว่าพอนัดวันที่2วันที่3กุมภานเนี่ยก็ปรากฏว่าผลของเพจสแกนเนี่ยก็มีค่ะมีสัญญาณเนาะ ของโลกมะเร็งเกิดขึ้นตรงนั้นคุณหมอก็ยังไม่ได้บอกอะไรเราเนาะก็มีเพียงแต่ว่าอ่านอ่านในใบใคล้ายๆว่าใบตรวจคร่าวๆเนาะเท่าที่เราพอที่จะเหมือนกับพออ่านได้เนี่ยก็อบอกว่าเหมือนกับมันมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นวันที่สี่คุณหมอก็นัดสี่คุมพาคุณหมอก็นัดว่ามาตรวจ เอก็เรียกว่ามาสองกล้องตรวจเนาะสองกล้องตรวจทางเดินอาหารแล้วก็บอกว่างดกดน้ำงดน า, ารในช่วงระหว่างนั้นก็จะเป็นช่วงที่หลวงพ่อเองก็เหมือนกับก็ยังขึ้นธรรมมัดขึ้นทางเลยทำปกติเนาะเทศสุดท้ายของหลวงพ่อเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราก่อนที่เราจะเข้า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 เป็นเรื่องของการกลืนอาหารหลวงพ่อก็กลืนยากๆมันที่กลับมาจากกลับมาจากโรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งหนึ่งก็คุณหมอประสาทก็นิมนต์ฉันอีกทีหนึ่งวันที่ยี่สิบห้ามกรากลับไปกรุงเทพ อ, อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นหรือวันที่เนี่ยอาจจะจำไม่ได้แน่นอนยี่สี่หรือย5ิบห้าเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอประสาทก็บอกเราบอกว่า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 ช่องอยู่แค่ประมาณเม็ดข้าวสารหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ตอนเย็นหลวงพ่อก็ขอขอให้พวกเราจัดโจ๊บถวายหลวงพ่อเพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อก็กลืนอาหารได้น้อยมากๆนะน้อยมากๆในช่วงการชันเช้าปกติที่หลวงพ่อเคยชันเป็นอาหารหนักก็ก็ฉันได้ไม่เท่าไหร่เพราะนั้นนั่นคือตอนเย็นก็ต้อ ง, ต, องต้องมีอาหารถวายหลวงพ่อ ก็เป็นโจกนะช่วงนั้นก็จะเหลือเป็นโจกอย่างเดียวซึ่งโจกแล้หลวงพ่อก็จะตักนิดๆนะคําเล็กๆคําเล็กๆถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะก็เรียกว่าจะสําลักซึ่งแค่คําเล็กๆเวลากลืนวหลวงพ่อก็จะมีการแกแอมกอายมีมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าความที่หลวงพ่อก็เหมือนกับว่ามีสติ ก, กับการตักการกลืนในตานานๆเหล่ า, านี้เพราะนั้นนัน่นคือ อาการที่หลวงพ่อบอกว่ามีคอมีหลอดอาหารมีช่องอยู่ประมาณสักเม็ดเข้าสารเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำให้หลวงพ่อสำลักอะไรหน้าเขียวหน้าเหลืองอะไรนะก็มีแค่กระแอ ม, มกัะไอนิดนินหน่อยๆเท่านั้นเองตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พอเช้าวันที่สี่เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่านั่นหลวงพ่อกลืนอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะเนื่องจากว่าหมอก็สั่งมา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 ยาเม็ดความดันเป็นยาเม็ดเล็กๆ เ, เนาะปรากฏว่าก็ย่อยให้หลวงพ่อเป็นประมาณสักแซีเม็ดเล็กนิดเดียวนะั้นหลวงพ่อก็บอกว่าเล็กกว่านั้นอีกเล็กกว่านั้นอีกอย่างเงี้ยนะก็ปรากฏว่าก็จัดให้หลวงพ่อตามที่หลวงพ่อบอกกลืนหลวงพ่อกลืนปุ๊บนะฮะ ก, ก, นะก็กลืนไม่ลงนะฮะกลืนไม่ลงหลวงพ่อก็อมน้ําอยู่นานก็กลืนไม่ลง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 ค้างอยู่ที่คอด้านล่างเนาะก่อนที่จะกลืนลงไปลงไปต่ํากว่าติ้นไก่ลงไปอีกหน่อยปรากฏว่าก็นั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับหมอก็เห็นอยู่เลยนะฮะว่าลาคอเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะใช้กลืนอาหารได้ ก, ก็หมอก็เลือกกล้องเนาะครั้งแรกก็เลือกกล้องที่ใหญ่หน่อยที่จะใส่ปรากฏว่าหาช่องใส่ไม่ได้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 ข้างล่างไม่เห็นมีอะไรนี่อย่างเนี้เนะาะดังนั้นก็ปรากฏว่าคุณหมอก็หันมาถามเราบอกว่าอืมจะต้องใส่สายยางใส่สายยางให้อาหารเนี่ยจะใส่เลยไหมอย่างเงี้ยนะเราก็บอกว่าเอาก็มันกลืนอาหารไม่ได้แล้วว่ะคุณหมอก็ใส่เลยอย่างเงี้ยนะก็ปรากฏว่าก็คุณหมอก็ใส่สายยางทั้งจมูก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 เหมือนกับการที่จะปรากฏออกมาด้านนอกหรือเรองตานานานเหล่านี้ก็นอ้อยตอมน้าเหลืองที่ข้างๆเทียคเท่าว่าใต้หูเนี่ยเหมือนกับปรากฏขึ้นมาก็ประมาณตอนนีจ้จำไม่ได้นะฮะก็น่าจะประมาณสักสองเดือนหลังจากนั้นนะเหมือนว่ากลับมาอยู่ที่วัดแล้วด้ซ้าไปเระนึกจากเราอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนนะวันที่ยี่สิบหกมีนาก็กลับมา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 ก็เป็นวันที่คืนนั้นหลวงพ่อก็ต้องใช้ออกซิเจนเนาะจริงๆในสองเดือนย้อนกลับไปเนี่ยหลวงพ่อก็ถือว่าการหายใจะอะไรต่างๆ น, นานาเหล่านี้ถือว่าดีมากนะดีมากคือก่อนหน้าที่จะถึงสองเดือนสุดท้ายนี่หลวงพ่อบางวันเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนต่อนเนื่องกันถึงสี่วันอย่างเนี้ย บางทีทั้งเช้าทั้งคืนยิบสี่ชั่วโมงไปเลยนอย่างนี้นะบางทีก็เหมือนกับว่าเว้นนิดๆหน่อยๆก็ใช้ออกซิเจนแต่สองเดือนย้อนหลังกลับไปก็ปรากฏว่าหลวงพ่อก็ค่อนข้างค่อนข้า ง, งดีมากๆมีอยู่คืนหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ขอรับออกซิเจนเพราะเนื่องจากว่ารอบรอบรอบๆอบคอตรงช่วงนี้เนี่ยตัวก้อนก็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 ปฏิเสธไม่เอาก็นึกอยู่ในใจว่าหลวงพ่อคงเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยอยากก็บอกว่าจัโนตบอกว่าก็ยังไงต้องขอรบกวนหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าพอขอรบกวนว่ามายังไงก็จะจะขอยืนยันให้อเอาซียนเนี่ยหลวงพ่อก็เขียนหนังสือบอกเราบอกว่าหายใจดีวันนี้หายใจโลง่งตั้งแต่นั้นมาก็หลวงพ่อก็ ไม่ได้ออกซิเจนไม่ได้ไม่ได้ขอออกซิเจนมาในช่วงสองเดือนหลวงพ่อตั้งแต่ชันอาหารไม่ได้นี่เนาะปรากฏว่าในวันที่26กกุมพาเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องเจาะคอช่วยหายใจอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าตัวก้อนเข้าไปคล้ายๆว่าไปเบียดหลอดลมทำให้หายใจไม่ได้นาะทีนั้นเนี่ยก็จำได้ว่าคือ คุณหมอหลังจากตรวจปุ๊บเนี่ยก็ออกมาบอกเราบอกว่าต้องเจาะคอช่วยหายใจด่วนก็ถามคุณหมอบอกว่าด่วนอ่ะด่วนแค่ไหนก็คุณหมอก็บอกว่าต้องเดี๋ยวเนี้ถามคุณหมอมอทำไมต้องเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่ า, วออวาถ้าไม่เจาะตอนนี้เนี่ยไม่รู้หลวงพ่อจะหยุดหายใจตอนไหนก็คือนาทีนั้นเนี่ยก็ทุกคนนะฮะก็พยักหน้า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 จะเป็นปากก็ดีจะเป็นจมูกก็ดีเนี่ยก็ต้งเรียกว่าใช้ไม่ได้อีกแล้วนะอย่างนั้นก็คือจมูกก็ไม่สามารถหายใจได้เลยปากก็ไม่สามารถกลืนอะไรได้เลยน้ําลายก็กลืนไม่ได้นะอย่างเงี้ยอย่างนั้นตั้งแต่วันนั้นมาหลวงพ่อก็บอกบอกว่าคือบททวัตติติงใช่ไหมที่เป็นบท3 2มอาการ32เนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าต้องเพิ่มเข้าไปอีก สรายการก็คือรายการที่หนึ่งก็คือเป็นรายการที่เป็นสายาายางให้อาหารอีกรายการหนึ่งก็คือเป็นรายการหลอดคอที่เพิ่มเข้ามาช่วยหายใจ <c oughs> <mumbles> ก็เป็นอาการสามสิบส่แทนนะอย่างนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวง พ, <c oughs> งพ่อก็ยังแบบคล้ายๆว่าอยู่ <c oughs> กับลรภัยไข้เจ็บอย่างที่หลวงพ่อก็มไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เป็นโศกอะไรนะฮะ ห, หลวงพ่อก็อย่างนี้ วันที่ยีสิบสามตอนเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็ขอพลิกตัวพอเวลาที่ให้ออกซิเจนมันจะมีสายยางยาวๆอันนึงเนาะที่ที่มาต่อกับมาต่อกันหน้ากา ก, กที่ครอบครอบครึงไอ้ครอบหลอดหายใจของหลวงพ่อตัวนี้เนี่ยหลวงพ่อจะพลิกตัวหลวงพ่อก็จะบอกเราเพราะเนื่อย่ากว่าถ้าพลิกตัวแล้วก็บางทีสายจะหลุดอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็บอกเราว่าหลวงพ่อขอพลิกตัวปรากฏว่าพระจันโน๊ตก็ อยู่ใกล้หลวงพ่อเนาะพระจนทก์ไปพระจนท์ดก็สิ่งที่เห็นก็คือเช้าวันนี้หลอดหลอดหายใจของหลวงพ่อเนี่ยถูกดันออกมาประมาณสักสองนิ้วเกือบจะหลุดต้องเรียกว่าเกือบจะหลุดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าในสายตาของพวกเราก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆพอย้อนกลับไปสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเคยหยุดหายใจครั้งหนึ่งด้วยเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่า หลอดหายใจหลุดออกมาแล้วก็ไม่สามารถใส่กลับเข้าไปได้หลวงพ่อก็หยุดหายใจไปประมาณ3นาที4ีนาทีแลว้ลวๆนั้นอะไรเงี้ยพอคราวนี้สถานการณ์นี้ที่เห็นเนี่ยประจันนทที่เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าทีมดูแลหลวงพ่อเนาะประจันโนท์ก็บอกให้ท่านอ่านแบบว่าไปบทยาบทยายาเด็กซ่านะจะเป็นยาลดอาการบวม10บวันสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ยานี้เนี่ยช่วยให้อาการบวมของหลวงพ่อเนี่ยลดลงภายในเวลาประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็เขาเรียกว่า done, ดันดันหลอดคอเนี่ยกลับเข้าไปได้เข้าที่นะแล้วหลวงพ่อก็อยู่มาได้ต่อมาจกนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบสามยังดีอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าโนตก็สั่งท่านอันบอกว่าไปบทยามาเลยในขณะที่พระเจ้าโนตก็ไปเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมฉีดยานะฉีดเด็กซ่าเข้าไปที่ ว่านอกจากกินก็ต้องฉีดด้วยเพราะว่าสถานการณ์นะั้นดูไม่ค่อยดีเลยอย่างงี้นะอยู่นั้นพรอาจารย์หลวงก็บอกบอกว่าให้ให้ผมเนาะแบบว่าดูแลเรื่องการครอบหน้ากากออกซิเจนแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องเรื่องการช่วยหลงพ่อหายใจด้วยออกซิเจนก็ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตีสี่เนยจนถึงถึงตีห้าก็ได้ทําหน้าที่นั้นตลอดก็คือเอาออกซิเจนเนี่ย จอตรงช่องนะช่องหายใจของหลวงพ่อปรากฏว่าพวกเราก็นักคนหนึ่งก็ท่านอันก็มากรอกยาใส่เรียกว่ากรอกยาใส่ใส่ใสายทางหน้าท้องหลวงพ่อพระจโน้นก็เปิดก้นหลวงพ่อแล้วก็ฉีดยาเนาะคือถ้าเป็นภาพก็คนหนึ่งก็กเรียกว่ากําลังเจาะท่อหายใจอยู่ อีกคนหนึ่งก็จะไม่ให้ยาทางข้างหน้าอีกคนหนึ่งก็ฉีดยาที่สะโพกอะไรอย่างเงี้ยนะคือภาพตอนนั้นเนี่ยก็แต่ละคนแต่ละคนก็ทำงานกันชลมุลนวุ่นวายเพราะเรื่องอ่ า, าเราก็ดูว่าถ้าไม่ทาอย่างนี้เนี่ยมันก็หลพ่ออาจจะหยุดหายใจได้ง่ายๆอย่างเี้คุก ค, คักคกันอยู่อย่างนี้เนาะก็มีท่านอัจาราด้วยอีกรูปหนึ่งนะสี่รูปก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือต่างๆนานาเหล่านี้ ประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะจําได้ว่าตอนที่กดกดอตัวทิ้วตัวเนี้นะเข้าไปเนี่ยหลวงพ่อก็จะมีสีหน้าที่บอกเราบอกว่ามากกว่านี้ไม่ได้ละเพราะว่าเจ็บแล้วก็ที่หลวงพ่อมีสัญญาณบอกเจ็บอีกอันนึงก็คือพอเรากดปุ๊บเนี่ยเราว่าจะจะจับตรงประมาณลิ้นปีกตรงเนี้ยเนาะว่าว่าทําหน้าตาบอกเราบบบว่า หลวงพ่อพูดไม่ได้นะฮะตั้งแต่เจาบคอมามาที่ยี่สิบกกุมภาหลวงพ่อก็ใช้วิธีการสื่อสารผ่านการเขียนตลอดหรือแม้ก็ใช้มือใช้สีหน้าท่าทางอะไรต่างๆนาหน้าเหล่านี้ปอกก็ปรากฏว่าครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็อิลุลุกขักกันอยู่นะหลวงพ่อก็ปัดๆมือพวกเราน้อยหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าขอเข้าห้องน้ำนะอย่างนั้นปรากฏว่า หลวงพ่อก็เข้าห้องน้ําเดินเข้าห้องน้ํานั้นลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําหลวงพ่อเวลาที่ลุกเวลาที่นั่งเนี่ยนะหลวงพ่อจะลุกนั่งแบบที่เรียกว่ารู้สึกตัวเนาะรู้สึกตัวมีสติกับการลุกกัรนั่งดีมากๆนะฮะหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็ประคองตัวด้วยการจับด้วยการแรงตานาไม่มีการพลวดพลาดในการเดินไม่มีอะไรต่างๆก็ค่อยๆเดินเข้าห้องน้ํา พวกเราก็แต่ละคนก็ทำหน้าที่กันนะใช่ตัวผมเองก็เอาออกซิเจนเนี่ยคอยจาไม่ให้พ้นไม่ให้พ้นจากท่อหายใจตรงนีนะ้ท่านอันก็อาจจะช่วยเข็นตัวถังออกซิเจนหรืออะไรก็จำไม่ได้นะแต่ว่าสองสาคนเนี่ยก็ช่วยกันเพื่อที่ว่าจะให้หลวงพ่อเข้าห้องน้ำได้โดยที่ไม่ขาด ygen, ออกซิเจนเนี้ยก็พวกเราก็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 นอนตะแคงนะนอนตะแคงด้านขวาเหมือนสีหาสายญาติอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ตะแคงด้านขวาปกติก็ช่วงนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรยังไงพระเจโนตก็บอกบอกว่าให้วัดออกซิเจนหลวงพ่อเพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับการเคลื่อนไหวตรงนี้อาจจะทำให้หลวงพ่อมีอาการผิดปกติเพื่อที่ว่าจะได้รายงานไปที่คุณหมอตองตอนนั้นหมอตองยังมาไม่ถึงนะ พระจันทร์นจะใช้วิธีโทรศัพท์ถามอาการแล้วก็ปรึกษาว่าจะทำยังไงดีอนะไรเงี้ยปรากฏว่า15นาทีสุดท้ายก่อนที่จะถึงตีห้าเนี่ยวัดออกซิเจนที่นิ้วหลวงพ่อเนี่ยปรากฏว่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็มีอยู่98แสดงว่าการหายใจของหลวงพ่อเนี่ยยังมีคุณภาพที่ดีมากๆออกซิเจนในเลือดก็สูงมากๆเียแต่สิ่งที่ผิดไปหน่อยหนึ่งก็คือก็เรียกว่าชิบะจรสูง ก่อนหน้านี้ตอนช่วงตีสี่นี่ออกซิเจนหลวงพ่อได้ก็เรียกว่าเก้าสิบเจ็ดแล้วก็ชีพประจได้เจ็ดสิบก็ถือว่าดีมากๆนะตอนที่พวกเรามองเห็นว่าวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ปรากฏว่าตอนนั้นหลวงพ่อก็หายใจดีแล้วก็ชีพประจก็ดีมากๆนะฮะอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็เหมือนกับก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะ พจนนธ์ก็ปรึกษาหาลือแล้วก็ดูว่าจะทำยังไงดีอะไรต่างๆหน้าเ่า น, น, น, นั้นก็ผมเองก็ทำหน้าที่จอออกซิเจนอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อปรากฏว่าอีกประมาณสักไม่ถึงหนาทีถัดมาเนี่ยหลังจากที่วัดว่าออกซิเจนในเลือดหลวงพ่อดีเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียงหายใจของหลวงพ่อก็เปลี่ยนไปได้ยินชัดเจน เพราะเนื่องจากว่าหน้าหลวงพ่อกับหน้าเราเนี่ยก็ห่างกันอยู่ประมาณขนาดนี้เนาะอย่างก็พอเสียงหายใจเปลี่ยนไปก็หันหน้าไปมองพระจันทนรสเนาะก็บอกพระจันทร์นรสว่าเสียงหายใจหลวงพ่อเปลี่ยนอย่างนี้ก็พอเราหันกลับมาเนี่ยก็ปรากฏว่าหลวงพ่อก็ทําไมทําเมบอกว่าขอกระดาษขอดินสอเขียนอะไร ก็ยื่นกระดาษยื่นดินสอให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เขีย น, เ, นเขียนข ย, ขยุกขยิก็เลยอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็ส่งกระดาษให้พระจนันทร์นธพระจันทร์นธรับกระดาษแล้วพระจันทร์นธก็บอกว่าอ่านไม่ออกแล้วพระจันทร์นธก็วางไว้แต่ในขณะที่หลวงพ่อส่งกระดาษให้เนี่ยหลวงพ่อก็ส่งกระดาษให้แล้วหลวงพ่อก็วางปากกาพอวางปากกาเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ยกมือไหว้้พวกเราอย่างเงี้ย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 แล้วพอหลังจากที่มีการแข็งนิดหนึ่งหลวงพ่อก็หนับตาลงปรับตาลงก็มองหน้าพระจนันทร์โนตตัวผมก็มองหน้าพระจันทร์โนตนะก็ว่าเหมือนกับเราสงสัยหมดหวังแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคือหมายถึงในในใจก็สงสัยตาบอกพระจันทร์โนตอย่างนั้นอย่างี้ยพอหันกลับมาที่หลวงพ่อทีหลวงพ่อก็ขอ ขนาดที่นอนนอนตะแคงอยู่เนาะอย่างเงี้ยคอนเขาก็พับลงอย่างเงี้ยหมดแรงฝืนนนองอย่างนั้นแล้วก็น้ำมูกก็ไหลน้ำลายก็ไหลแล้วก็อีกเดี๋ยวหนึ่งหลวงพ่อพก็ฉี่ฉี่ลาดเกินเก่งก็สัญญาณ สัญญาณตรงนั้นก็เป็นสัญญาณสุดสุดท้ายก็ไม่ทันที่พระอาจารย์เพศานจะไปถึงพวกเราก็พระจานทร์โนดก็บอกให้เมยวฉือมารอบอกพระอาจารย์เพศารขึ้นไปกราบหลวงพ่อในนาทีสุดท้ายแต่ก็หลวงพ่อก็หมดลมหายใจเนาะแล้วก็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 พอพระอาจารย์ไปสารขึ้นไปก็เสร็จเรียบร้อยพวกเราก็พลิกเนาะพลิกหลวงพ่อกลับมาเ พ, เพื่อจะได้จัดการแต่งเนื้อแต่งตัวแบบว่านทำความสะอาดร่างกายหลวงพ่อก็พระจันท์โนดก็เป็นคนพลิกผมเองก็บอกพระจันท์โนดบอกว่าตามที่หลวงพ่อเคยบอกนะพระจะโนดดู ดูใบหน้าหลวงพ่อด้วยดูจัดหน้าหลวงพ่อด้วยดูดูจัดหน้าหลงวหหลงพ่อให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ในขณะที่บอกก็มองไปที่หน้าหลวงพ่อเนาะหน้าหลวงพ่อที่ที่หงายกลับออกมาให้อยู่ในท่านอนหงายเนี่ยก็เรียบร้อยทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรตาก็ปิดเบาๆสบายสบาย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 นะ้อย่างนั้นหรือว่านาทีที่ลมหายใจไม่สามารถหายใจต่อไปได้เพราะเนื่องจากว่าถูกอุดตัน ต, ตรงนี้นี่หลวงพ่อเองก็หยุดหายใจด้วยดวยที่บอกว่าก็มีตาที่แข็งนิดหนึ่งนะอย่างนั้นแปบ๊บเดียวเซียววินาทีเล็กๆแล้วก็หลับตาลงก็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 ดำเนินการต่อมาจนกระทั่งถึงนาทีนี้ก็กราบหลวมพ่อกำเขียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเรากราบพระพร้อมกัน